บทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนมีสามบทชื่อไตรสิกขาวงเล็บเปิดยีมิถุนายน2551ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดพระพุทธเจ้าท่านวางหลักสูตรของธรรมะเอาไว้ท่านวางเอาไว้ดีมากบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราศึกษานั้นมีสามบทคือศีลสิกขาจิตตสิกขาและปัญญาสิกขาบทที่หนึ่งชื่อว่าในเครื่องหมายคําพูดศีลสิกขาบางทีก็เรียกให้เพราะกว่านี้ว่า ในเครื่องหมายคำพูดอาทิศีและศิขามีอาทิด้วยนะต้องยิ่งใหญ่หน่อยเอาง่ายๆเรียกศีละศิขาก็แล้วกันเรียกอาทิขึ้นมาเดี๋ยวกลัวเปล่าๆมีศีละศิขคือทำอย่างไรจิตใจของเราจะเป็นปกติธรรมดาจิตใจของเราจะไม่ถูกกิเลสชัช่ว ย, ยาบครอบงำจนกระทั่งทำความผิดล้นออกมาทางกายทางวาจาได้เราทาผิดศีลห้าละเมิดออกมาทางกายทางวาจามันผิดมาจากใจก่อน ใจมันถูกกิเลสครอบงำฉะนั้นถ้าเรามีสติคอยรู้ทันจิตใจของเราอยู่เรื่อยๆกิเลสครอบงำจิตใจไม่ได้ไม่ผิดศีหลหรอกฉะนั้นถ้าเรามีสติเรื่อยๆตามองเห็นรูปจิตเรายินดียินร้ายขึ้นมาเรารู้ทันความยินดียินร้ายก็คืออภิ ช, ชาและโทมนั์หรือราคะาโทสะนั่นเองก็ครอบงำจิตไม่ได้จิตก็ไม่ทำผิดศีลยังเห็นสาวสวยนะชอบเขารักเขา มีสติรู้ทันจิตของตัวเองนี่มีราคะเกิดขึ้นราคาดับไปก็ไม่ไปหลอกไปลวงอะไรเขาแล้วไม่ทำผิดศีลโกรธเข้าขึ้นมาอยากฆ่าเขามีสติรู้ทันลงไปที่ใจตัวเองที่กำลังโกรธอยู่พอมีสติรู้ทันความโกรธครอบงำจิตใจไม่ได้มันก็ไม่ฆ่าใครไม่ตีใครไม่ด่าใครนี่ถ้าเรามีสติอยู่ศีลมันจะเกิดขึ้นจิตใจเราจะเป็นปกติเป็นธรรมดา ถ้ายังไม่มีศีลที่เกิดขึ้นจากการสำรวมอินทรีย์ที่เรียกว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดอินทรีจะสังวรศีลปิดเครื่องหมายคำพูดอย่างนี้ก็มีศีลธรรมดาไปก่อนตั้งใจรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดตามโอกาสนะเป็นคารวาสหลวงพ่อไม่ได้บอกให้รักษาศีลแปทุกวันส่วนมากมันจะศีล8เปื้อนแค่ศีลห้ายัง8เปื้อนเลยมันไม่ถึงศีล8จริงหรอกกับพร่องกับแพร่งมีศินห้าเอาไว้ก่อนอย่างไรอย่างไรก็อย่าให้ผิดศีลห้า ถ้าเราทำผิดศีลห้าจิตใจเราจะฟุ้งซ่านคนที่ทำผิดศีลนี่จิตจะฟุ้งซ่านไม่มีความสงบหรอกฉะนั้นจะฝึกจิตฝึกใจให้มีความสงบนี่ยากดังนั้นศีลถือเป็นปัจจัยของสมาธิเป็นพื้นฐานให้ทำสมาธิได้ง่ายยกตัวอย่างนะลองคิดจะฆ่าคนดูสิจิตใจเราจะฟุ้งซ่านไม่สงบหรอกฆ่าเสร็จแล้วก็ต้องปกปิดไม่ให้คนรู้จิตใจไม่สงบนอนสะดุ้งผวากลัวตำรวจบ้างกลัวผีบ้าง เราจะทำผิดศีลจิตใจเราจะฟุ้งซ่านเชะนั้นถ้าเรามีศีลเอาไว้จิตใจเราก็สบายไม่มีภาระมากบทเรียนแรกเรื่องศีลสิกขานี้คนยังอยากถือศีลแต่ว่าถือแบบไม่ได้มีการศึกษาไม่รู้ว่าศีล น, นั้นมันต้องพัฒนาขึ้นไปจนเป็นศีลอัตโนมัติถือแค่ศีลลำบากยากจนศีลไปขอพระมาขอมาแล้วก็มาถือแบบลำบากลาบาก ฉะนั้นถ้าศึกษาศีลสิกขาจะรู้ว่าจริงๆแล้วก็คือเรามีสตินั่นแหละคอยรู้ทันกิเลสไม่ครอบงําจิตศีลมันก็มีขึ้นมาถ้าเราได้ศึกษาศีลสิกขาเราจะเกิดศีลอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาไม่ใช่ศีลห้าศีลแปดหรอกศีลชนิดนี้คือจิตเป็นปกติไม่ถูกกิเลสครอบงํามีความเป็นปกติบางทีศีลเลยแปลว่าปกติธรรมดาจิตไม่ถูกกิเลสครอบงําทีนี้บทเรียนนี้ก็ยังมีคนเรียนบ้างแต่ไม่มาก บทเรียนที่สองชื่อว่าในเครื่องหมายคำพูดจิตสิกขาเป็นบทเรียนที่อาภัพที่สุดในบรรดาบทเรียนทั้งสามบทแทบหาคนเรียนไม่ได้เลยเราไปวาดภาพว่าจิตสิกขาคือการเข้าฌานความจริงจิตสิกขาชื่อมันก็บอกแล้วว่าเรียนเรื่องจิตเราจะเรียนให้รู้ความจริงว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลจิตชนิดไหนเป็นอกุศลจิตที่เป็นกุศลก็มีหลายแบบ เป็นกุศลทั่วๆไปที่อยู่กับโลกหรือเป็นจิตที่เป็นกุศลที่ใช้ทำสมถะหรือเป็นจิตที่เป็นกุศลที่จะใช้ทำวิปัสสนานี่จิตที่เป็นกุศลยังมีหลายแบบเราต้องเรียนไปจนกระทั่งเรารู้ความจริงเลยจิตที่เป็นมหากุศลจิตที่ใช้ทำวิปัสสนาจริงๆมันจะเป็นมหากุศลญาณสัมปยุติคือประกอบด้วยปัญญาอาสังขาริกังคือเกิดขึ้นเองต้องเป็นจิตที่เกิดเองถึงจะมีกาลังกล้า บรรดาจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลมันมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเกิดขึ้นเองอันไหนเกิดเองก็มีกำลังกล้าอันไหนต้องถูกชักชวนโน้มน้าวจูงใจให้เกิดเป็นกุศลหรืออกุศลที่มีกำลังน้อยอย่างเรานี้มีสันดานไม่ดีเจอใครก็อยากฆ่าเขาตลอดเลยอะไรอย่างนี้มันเกิดเองไม่มีใครชวนเลยไม่มีอะไรไมายั่วยุก็มีสันดานชอบไปทาร้ายคนอะไรอย่างนี้เป็นอกุศลรุนแรง แต่ถ้าถูกเขายั่วมาสาวันสามคืนแล้วโมโหทนไม่ได้โชคไปทีหนึ่งอะไรอย่างนี้มีอกุศลเหมือนกันแต่อากุศลตัวนี้มันถูกยั่วยุมามันไม่รุนแรงเท่าไหร่บาปมันอ่อนกว่าส่วนกุศลก็เหมือนกันถ้ากุศลที่มันเกิดเองเกิดโดยสันดานเกิดด้วยความเคยชินที่เป็นกุศลมันเป็นกุศลที่มีกำลังแรงเช่นเรากล้าเสียสละเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเขาไม่มีข้าวกินไม่มีลงศพอะไรอย่างนี้ ไปบริจาคให้เขาช่วยเหลือด้วยจิตใจที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเองโดยสันดานที่ดีโน้มน้าวจูงใจให้อยากทำนี่เป็นกุศลแรงอีกพวกหนึ่งทำเพราะเสียไม่ได้ถูกชวนพอออกพรรษาใช่ไ้ยซองมาแล้วหน้ามืดเลยใช่ไ้ยซองมาวัดหลวงพ่อไม่มีแจกซองจำเอาไว้เพราะฉะนั้นมาที่นี่ไม่ต้องตกใจพอซองมานี่ไม่ทาก็ไม่ได้ใช่ไหมทาไปอย่างเสียไม่ได้นี่ได้บุญเล็ก เพราะฉะนั้นกุศลใดที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้จูงใจโน้มน้าวให้เกิดจะมีกําลังกล้าจิตซึ่งจะใช้ทําวิปัสสนาต้องเป็นจิตที่มีกุศลกล้าเพราะฉะนั้นสติต้องเกิดเองถ้าจิตมีสติเกิดขึ้นได้เองโดยไม่ได้จูงใจให้เกิดเป็นจิตซึ่งมีกุศลมีกําลังกล้าอันนี้เหมาะที่จะเอาไว้ทําวิปัสสนามากที่สุดฉะนั้นเราต้องรู้ไปต้องเรียนว่าทําอย่างไรเราจะเกิดจิตซึ่งมีกุศลกําลังแก่กล้า ทำอย่างไรสติจะเกิดได้เองเราต้องรู้ว่าสติเกิดจากอะไรสติเกิดจากธิรสัญญาธิรสัญญาแปลว่าการที่จิตจําสภาวะธรรมได้แม่นยําในพระอภิธรรมจะสอนบอกว่าการที่จิตจําสภาวะธรรมได้แม่นยําเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติฉะนั้นการจําสภาวะได้แม่นทําให้เกิดสติคนที่มาเรียนที่หลวงพ่อนี่หลวงพ่อจะสอนให้หัดดูสภาวะถ้าเราเห็นสภาวะบ่อยๆเราจะจําแม่นถ้านา น, านานเห็นทีหนึ่ง เราจะจำไม่แม่นการที่ตามดูสภาวะบ่อยๆเช่นร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกคูรู้สึกเหยียดรู้สึกพองรู้สึกยุบรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกรู้สึกโลภโกรธหลงขึ้นมาไม่โลภไม่โกรธไม่หลงขึ้นมาคอยรู้สึกรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจรู้สึกไปเรื่อยๆทีแรกยังไม่มีสติหรอกคอยตามรู้สึกไปเรื่อยๆตามรู้ไปเรื่อย ร่างกายเคลื่อนไหวนะเผลอไปก่อนเผลอเคลื่อนไหวไปก่อนแล้วอ้าวเมื่อกี้เผลอไปเคลื่อนไหวโลภไปก่อนแล้วอ้าวเมื่อกี้เผลอไปโลภใจลอยไปก่อนแล้วรู้ว่าเออเมื่อกี้หลงไปคิดแล้วนี่การที่จิตมันเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกในที่สุดมันจะจําสภาวะได้พอมันจําสภาวะได้ต่อไปสติจะเกิดเองโดยไม่ต้องจูงใจให้เกิดสติเกิดเองยกตัวอย่างหลวงพ่อนะมีอยู่ช่วงหนึ่ง ไปเจอหลวงพ่อเทียนแล้วมหัดขยับบ้างขยับไม่ค่อยสวยนะนี่เพราะว่าที่มันแคบจริงๆขยับอย่างไรก็ได้แต่หลวงพ่อเทียนขยับ14จังหวะเรามาขยับเล่นๆอยู่สองวันมีอยู่วันหนึ่งเห็นเพื่อนมันเดินอยู่คนละฝั่งถนนดีใจนะไม่เจอนานแล้วขยับเท้าจะไปคุยกับมันจะเดินไปคุยนะเพราะเท้าเคลื่อนไหวเท่านั้นสติกเกิดขึ้นมาเลยจิตมันจําสภาวะรูปที่เคลื่อนไหวได้มันเคยขยับอย่างนี้เราเคยรู้สึกรู้สึก ทีนี้เท้ามันไหวขึ้นมาไม่ได้เจตนาจะรู้สึกสติเกิดขึ้นเองนี่สติชนิดนี้แหละสําคัญมากนะสติเกิดได้เองหรือบางคนไปเรียนกับอาจารย์สุรวัตรสุรวัตรสอนให้รู้ว่าจิตไหลไปคิดจิตเผลอไปจิตไปคิดพอรู้ทันว่าจิตไปคิดในขณะนั้นก็รู้ตัวขึ้นได้แวบหนึ่งเดี๋ยวไปคิดอีกรู้อี ก, ไ ป, อกไปคิดอีกก็รู้อีกต่อมาไม่ได้คิดจะฝึกกรรมาฐานอะไรหรอกเผลอไปคิดพอจิตไหลไปคิดปับ๊บ สติมันเห็นจิตมันไหลไปแล้วสติมันเห็นเองสติเกิดเองสติที่เกิดเองนี่แหละเป็นกุศลที่มีกำลังกล้าไม่ได้มีโลภะเจตนาไม่เจือด้วยโลภะเจตนาที่จะให้มีสติจะต่างกับสติอีกชนิดหนึ่งที่พวกเราส่วนมากทำกันสติที่เกิดจากการจงใจทำให้เกิดสติอย่างนี้ใช้ไม่ได้จริงในการทาวิปัสสนาแต่ใช้ทาสมถะได้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 เนี่ยสติอย่างนี้รู้สึกเกิดได้ทั้งวันพวกเราลืมไปอย่างหนึ่งว่าสติหรือกุศลที่เกิดซ้ำๆซ้ๆตลอดเวลาได้ไมีอยู่ชนิดเดียวคือฌานจิตเกิดในฌานจิตคือจิตที่เพ่งเท่านั้นเองไม่ใช่สติที่จะใช้ทำวิปัสสนาอะไรหรอกฉะนั้นตรงที่กำหนดกาหนดกาหนดกาหนดพวกเราหลังๆชอบกำหนดไม่ใช่ทาวิปัสสนานะถ้ากาหนดไปแล้วจะได้สมถะอย่างบางคนหายใจใช่ไหม กำหนดจิตจ่ออยู่กับลมหายใจไปแล้วเกิดปิติตัวลอยตัวเบาตัวโครงอะไรขึ้นมานี่เรื่องของสมถะบางคนเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าเพ่งอยู่ที่เท้าไปเรื่อยใช่ไหมรู้สึกตัวลอยตัวเบาตัวโครงตัวใหญ่ตัวเล็กบางคนก็รู้สึกขนลุกขนพองรู้สึกบุบบุบวบวบรู้สึกเหมือนแมลงมาไตา่ตามร่างกายยุบยิบยุบยิบอันนี้เป็นเรื่องของสมถะทั้งสิ้นเลย อย่าไป น, นึกว่าวิปัสสนานะสติที่เกิดจากการกําหนดไม่ใช่วิปัสสนาบางคนไปเข้าใจผิดว่าต้องกําหนดถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าเรากําหนดใส่ตัวอารมณ์เมื่อไหร่จะเป็นสมถะในทางอภิธรรมมีสับเฉพาะอยู่อันหนึ่งเรียกว่าเครื่องหมายคําพูดเปิดอารมณูปนิชฌานปิดเครื่องหมายคําพูดอารมมณะก็คืออารมณ์นั่นเองถ้าเมื่อไร่เรามีสติเพ่งใส่ตัวอารมณ์เมื่อนั้นเป็นสมถกรรมฐานจำเอาไว้นะ กระทั่งการเพ่งรูปเพ kind of sì, ่งนามก็เป็นสมถกรรมฐานไม่ใช่ว่าเพ่งรูปนามแล้วจะต้องเป็นวิปัสนาถ้าเป็นวิปัสนาไม่ได้เห็นรูปนามถ้าเป็นวิปัสนาต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามเรียกว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดลักขณูปนิชฌานปิดเครื่องหมายคำพูดถึงจะเป็นวิปัสนาที่นี้จะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้จิตต้องตั้งมั่นตัวนี้แหละคือตัวสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นเอง วิธีทําให้เกิดสัมาสมาธิก็ทําได้หลายอย่างอย่างที่หนึ่งทำฌานจนถึงฌานที่สองพอถึงฌานที่สองจิตมันจะตั้งมั่นออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูในทางตําราจะเรียกว่ามีเครื่องหมายคําพูดเปิดเอโกที่ภาวะปิดเครื่องหมายคําพูดคือภาวะแห่งความเป็นหนึ่งภาวะอะไรที่เป็นหนึ่งคือภาวะของจิตผู้รู้นั่นเองจิตมันจะตั้งตัวรู้ขึ้นมาพอเราออกจากฌานแล้วตัวรู้นี้ยังทรงอยู่มันจะเห็นทันทีเลย ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเห็นไหมเกิดปัญญาทันทีเห็นไตรรักทันทีเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี่มันไม่ใช่เราหรอกมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูมีใครรู้สึกว่าพัดอันนี้เป็นตัวเราไหมไม่มีเพราะอะไรเพราะมันเป็นของถูกรู้ถูกดูมันอยู่ห่างๆนึกออกไหมส่วนร่างกายของเรานี่ถ้าจิตของเราตั้งมั่นขึ้นเราจะรู้สึกทันทีว่าร่างกายอยู่ห่างๆ คนที่มาเรียนกับหลวงพ่อช่วงหนึ่งจะเห็นทุกคนแหละร่างกายจะอยู่ห่างๆจิตมันแยกออกมาเรียกว่าแยกรูปกับนามออกจากกันการแยกรูปกับนามออกจากกันนี่มีสับเฉพาะเรียกว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดนามรูปปริเฉทยานปิดเครื่องหมายคำพูดรูปกับนามมันแยกออกจากกันมีปัญญาแยกรูปนามออกจากกันทันทีที่แยกออกไปใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นทันทีเลย ร่างกายหายใจจิตเป็นคนรู้ร่างกายพองยุบจิตเป็นคนรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนรู้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งจิตเป็นคนรู้มันแยกออกมาต่างหากมันจะเกิดปัญญาทันทีเลยเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานี่คือการเจริญปัญญาเป็นบทเรียนที่สามที่เรียกว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดปัญญาสิกขาปิดเครื่องหมายคาพูดเพราะฉะนั้น บทเรียนแรกในเครื่องหมายคำพูดศีละสิกขาให้เรามีสติรู้กายรู้ใจไปบทเรียนที่สองในเครื่องหมายคำพูดจิตสิกขาให้เรามีสัมมาสมาธิคือมีใจตั้งมั่นออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูพอมันแยกออกมาปุ๊บมันจะเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์ทันทีเห็นทันทีว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุเท่านั้นอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่สคือในเครื่องหมายคำพูด ปัญญาสิกขาบางคนฟังหลวงพ่อแล้วง ง, งๆแต่ก็ฟังไปเรื่อยๆฝึกรู้ตัวหัดรู้สึกตัวไปเรื่อยวันหนึ่งไปอาบน้ํามีคนมาเล่าบ่อยๆเรื่องอาบน้ํานี่กําลังทูสบู่บางทีก็ขัดขี้ใครขัดไปขัดมาสติมันเกิดเริกขึ้นมาใจมันเกิดตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูจะรู้สึกว่านี่มันเป็นท่อนอะไรท่อนหนึ่งเท่านั้นเองมันไม่ใช่ร่างกายของเราอีกต่อไปแล้วบางคนตกใจไปเลย ความจริงคือไปเห็นรูปเข้าแล้วว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเพราะฉะนั้นอยู่ว่างๆไม่มีอะไรทําก็นวดตัวเองไปไม่ต้องไปให้คนอื่นนวดเสียสตังนวดตัวเราไปสัมผัสไปดีกว่านั่งสมาธิเคลิม้มเคลิม้มงอกแงะงอกแงกนวดตัวเองไปแก้เมื่อยด้วยมแมลงหวีมแมลงวันมายกมือปัดอยากะให้ตายนะแค่ปัดปัดเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกนะฝึกไปทําอะไรหัดรู้สึกไป เคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไม่มีอะไรทาก็นวดตัวเองแก้เมื่อยไปแล้วสัมผัสไปรู้สึกไหมมันเป็นท่อนแข็งๆแต่อย่าคิดนำนะจับเล่นๆจับเล่นลนไปเรื่อยแล้วใจเราไหลไปคิดเราก็รู้ใจเราไปเพ่งใส่แขนเราก็รู้ใจเราทำอะไรคอยรู้นะถึงจุดหนึ่งใจตั้งมั่นการที่เราคอยรู้ทันจิตใจเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เกิดจิตที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิขึ้นมานอกจากวิธีทำฌานที่พูดถึงแล้ว เพราะฉะนั้นคนที่ทำฌานไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหัดรู้สึกตัวไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันจะเกิดสมาธิขึ้นมาสมาธิชนิดนี้ชื่อในเครื่องหมายคำพูดคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วขณะฟังดูแล้วกิ๊กก๊อกกระจอกงอกง่อยแห ม, ม่ใครๆก็อยากได้อัปปนาสมาธิส่วนมากเป็นอัปปลักษสมาธิซิมากกว่าไม่ถึงอัปปนาหรอก ฉะนั้นถ้าเราทำอัปนาสมาธิไม่ได้เรามีสติดูจิตดูใจของเราไปเรื่อยจิตไหลไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้จิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมามันจะค่อยๆแยกตัวออกจากอารมณ์เช่นจิตมันใจลอยจิตมันไปคิดพอเรารู้ทันจิตมันก็ตื่นขึ้นมาแวบหนึ่งเราจะเห็นเลยความคิดนั้นเป็นอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่จิตจิตมันโลภขึ้นมาพอเรามีสติรู้ว่าจิตโลภเราจะเห็นเลยความโลภเป็นอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่จิต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 ถ้าทำไม่ได้ก็อย่าฝืนมันจะกลายเป็นอัปปลักษสมาธิส่วนมากเห็นอย่างนั้นนะไม่ค่อยมีหลอกอัปปนามีอยู่ช่วงหนึ่งหลวงปู่เทศยังอยู่หลวงพ่อชอบไปอยู่วัดท่านตอนกลางคืนที่วัดหินหมักเป้งคนไปภาวนาเยอะก็ไปนั่งสมาธิกันในโบสถ์ในโบสถ์ไม่พอนั่งโบสถ์ท่านเล็กกว่าสารา น, นี้อีกก็อยู่กันรอบๆโบสถ์ทั้งนั่งทั้งเดินวันๆหนึ่งเยอะบางทีเป็นร้อยนะ่หลวงพ่อก็ไปกับเข้าบ้างไม่ไปก็น่าเกลียดเขาไปภาวนากัน ก็ไปเดินเดินเออมีแต่พวกนั่งเคล้มเคลิมนั่งแล้วก็เคลิม้มเปิดเทพหลวงปู่เอาไว้หลวงปู่เสียงเพราะฟังแล้วนุ่มนวลเปิดแล้วพอครบชั่วโมงเทพมันฑิตแป๊กฮ่าวันนี้ภาวนาดีจังนะใจเราก็นึกเออไม่เห็นมีใครปฏิบัติเลยเนี่ยขาดสติอีกพวกหนึ่งนะหายใจฮึดฮาดเครียดมากเลยเออนี่มันก็ไม่ใช่ดูไปดูมาไม่เห็นมีใครปฏิบตัติใจมันนึกอย่างนี้นะ เช้าขึ้นมาเข้าไปกราบหลวงปู่ตามคุณป้าคนหนึ่งที่ไปจัดดอกไม้ถวายหลวงปู่ตอนเช้าๆหลวงปู่หันมามองหน้าแล้วก็ยิ้มวัดนี้ไม่มีใครเข้าปฏิบัติกันแล้วหรอกอุ้ยเรานี่อายเลยเราแอบนินทาอยู่ที่โบสถ์เช้าท่านเฉ่งเราเข้าแล้วนี่เฉ่งข้อหาอะไรรู้ไหมไปรู้คนอื่นไม่ดูตัวเองให้ดูตัวเองไม่ให้ดูคนอื่นฟังแล้วก็งงๆเอ๊ะภาวนากันเป็นร้อยทําไมหลวงปู่ว่าไม่ปฏิบัติเพราะอะไรเพราะไม่มีสติ สติสำคัญนะหลวงปู่เทสอนหลวงพ่อมาว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อปิดเครื่องหมายคำพูดมีสติเอาไว้สติอันนี้หมายถึงสติปัฏฐานคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจเรื่อยๆรู้สึกไปเรื่อยๆดูเล่นๆไปเรื่อยๆวันหนึ่งจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้ดูมันจะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเรามันจะเห็นว่าเวทนาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ไม่ใช่เรา มันจะเห็นว่าจิตตสังขารเช่นความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราตอนนี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วเห็นอย่างนี้มีเป็นพันๆแล้วเหลืออันเดียวจิตยังเป็นเราอยู่ถ้าใครฝ่าด่านสุดท้ายนี้ได้ก็พ้นแล้วละ่ะก็เอาตัวรอดได้ไม่ต้องไปอบายถ้ายังฝ่าด่านสุดท้ายไม่ได้ยังไว้ใจไม่ได้นะยังล้มลุกคลุกคลานได้อีกด่านสุดท้ายเลยคือการเห็นแจ้งว่าจิตไม่ใช่ตัวเราจิตนี้เป็นของที่เห็นยากที่สุด ว่าไม่ใช่ตัวเราพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนบอกว่าเครื่องหมายคําพูดเปิดดูกระระภิกษุทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้สดับวงเล็บเปิดหมายถึงคนที่ไม่ได้ฟังธรรมของท่านหรือของพระอริยเจ้าวงเล็บปิดสามารถเห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเราแต่ไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราปิดเครื่องหมายคําพูดมีแต่คําสอนในอริยวินยัยในธรรมะของท่านนี้เท่านั้นที่ทําให้เห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราได้ เพราะการที่จะเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเรานี่ยากเนื่องจากเรายึดถือมานานเราสำคัญมั่นหมายมานานว่าจิตเป็นตัวเราพวกเราลองวัดใจตัวเองอย่างซื่อสัตย์นะลองวัดใจตัวเองดูเรารู้สึกไหมร่างกายนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆร่างกายของเราเดี๋ยวนี้กับร่างกายของเราตอนเด็กๆนี่คนละคนกันรู้สึกไหมมันไม่เหมือนเดิมร่างกายของเราเดี๋ยวนี้กับตอนวัยรุ่นก็ไม่เหมือนกันใช่ไหม ถ้าอายุขนาดหลวงพ่อหรือขนาดเบอร์ห้าสิบนี่ร่างกายสมัยวัยกลางคนกับตอนนี้ไม่เหมือนกันแล้วนี่เรารู้ได้ร่างกายมันไม่เหมือนเดิมแต่เรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆยังเป็นเราคนเดิมนี่เราจะสําคัญมั่นหมายว่ามีเราอยู่คนหนึ่งนั่นนะ่ะเราสําคัญว่าจิตคือตัวเราอันนี้แหละจิตเป็นเราอยู่ยากมากที่จะเห็นว่าจิตนี้ไม่ใช่เรา ถ้าไม่ได้เห็นว่าจิตไม่ใช่เราวันนั้นจะได้พระโสดาบันจําเอาไว้นะวิธีที่จะให้เห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะรู้สึกตัวเรื่อยๆก่อนเห็นกายไม่ใช่เราเห็นเวทนาไม่ใช่เราเห็นจิตสังขารคือกุศลและอกุศลทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ถูกดูทั้งหมดเลยต่อมาสังเกตจิตใจไม่ต้องรีบสังเกตนะฟังหลวงพ่อพูดแล้ววันหนึ่งจิตมันจะไปสังเกตเองอย่าไปจงใจสังเกตดูใหญ่เลย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 เดี๋ยวมันก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวมันก็เป็นผู้คิดใช่ไหมเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวมันก็เป็นผู้เพ่งรู้ตัวอยู่ดีๆแวบๆเพ่งไปแล้วยกตัวอย่างนะส่วนใหญ่อยู่เฉยๆก็ใจลอยใจลอยนี่จิตเป็นผู้คิดเกิดมีสติรู้ทันว่าจิตเมื่อกี้คิดในขณะที่รู้ทันนั่นแหละจิตเป็นผู้รู้ใช่ไหมถัดจากนั้นมันกลัวจะหลงไปคิดอีกก็เลยเพ่งเอาไว้จิตกลายเป็นผู้เพ่ง เนี่ยจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้หลงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งหมุนอยู่อย่างนี้ที่เราฝึกไม่ใช่ฝึกเพื่อจะให้จิตเป็นผู้รู้ตลอดวันตลอดคืนเพราะจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงหลวงปู่ล่าแห่งภูเจอก็ท่านสอนบอกว่าเครื่องหมายคาพูดเปิดผู้ใดเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยงเป็นมิจฉาทิฐิปิดเครื่องหมายคาพูดฉะนั้นเราคอยดูไปนะจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยง เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงใช่ไหมเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพลิดเพลินในความสุขในความโลภในความโกรธในความหลงในความทุกข์นี่รู้ไปอย่างนี้เรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นจิตที่ไปเกิดทางตาคือวิ่งไปดูเดี๋ยวก็เป็นจิตที่เกิดทางหูคือวิ่งไปฟังเดี๋ยวก็เป็นจิตที่เกิดทางใจวิ่งไปคิดบ้างไปเพ่งบ้างนี่จิตมันหมุนเวียนอย่างนนี้ค่อยๆฝึกะ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 อันนั้นเราดูไม่เป็นยังดูไม่ชํานาญพอเหมือนเราดูหนังการ์ตูนเรารู้สึกว่าตัวการ์ตูนเดินไปเดินมาได้การ์ตูนตัวสุดท้ายที่หลวงพ่อรู้จักคือโดเรมอนหลังจากนั้นไม่รู้จักไม่เคยดูเราเห็นโดเรมอนเดินไปเดินมาทั้งๆที่ในความเป็นจริงโดเรมอนไม่ได้เดินมันคือจิตแต่ละดวงแต่ละดวงจิตแต่ละดวงมันทํางานสืบเนื่องกันไปเลยเห็นมันวิ่งไปวิ่งมาความจริงจิตนั้นเกิดดับตลอดเวลาจิตไม่ได้เที่ยงในขณะที่พวกเราเห็นว่าจิตเที่ยง จิตของเราวันนี้กับจิตของเราตอนเด็กๆยังเป็นคนเดิมอยู่เลยจิตของเราวันนี้กับจิตปีหน้าก็คนเดิมอีกจิตของเราเดี๋ยวนี้กับชาติหน้าก็คนเดิมอีกฉะนั้นบางคนเลยต้องเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวเพราะว่ามันเป็นคนเดิมแต่ก็ต้องเลี้ยงนะไม่ใช่สอนบอกว่าไม่ต้องทำค่อยฝึกไปวันหนึ่งก็จะเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเวทนาคือความสุขความทุกข์ไม่ใช่เราจิตสังขารไม่ใช่เราตัวจิตแท้ๆที่เป็นผู้รู้ เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่ตัวเราที่เที่ยงหรอกตัวเราที่เที่ยงนั้นไม่มีวันใดที่จิตมันเดินปัญญาแก่รอบถึงขนาดนี้แล้วจิตมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองนะแล้วเกิดอริยมรรคขึ้นโซดาปฏิมรรคจะตัดความเห็นผิดว่ามีตัวเราออกไปพอถอยออกมาจากโซดาปฏิมรรคโซดาปฏิผลแล้วกลับมาสู่โลกมนุษย์นี่เวลาดูเข้ามาในจิตใจตัวเอง จะไม่มีแม้แต่เงาของความรู้สึกว่ามีตัวเราเงาก็ไม่มีนะบางคนบอกเป็นโสดาแต่ความเป็นตัวตนเต็มหน้าอกอยู่นี่นี่ไม่ใช่ของจริงบางคนมันเบาบางเหมือนเป็นเงาๆ เ, เคลือบๆแฝงๆขึ้นมาก็ยังไม่ขาดจริงถ้าขาดด้วยอริยามากแล้วจะไม่มีโผล่ขึ้นมาอีกเลย